พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันที่17พุทธภาคมพุทธศักราช2560หลวงพ่อเองกับพระ 3-4-5 องค์ 5-6 องค์ออกจากวัดตั้งแต่วันที่14นั้นลูกหลานตั้งแต่เช้ามืดของวันที่14ออกไปตั้งแต่ตี5แล้วครับทางวัดโพทธทิสมพรนิมนต์ บินทบาทตอนเช้าก็พี่น้องชาวรอนโอ้มากไรับบาทบินทบาทรับไม่ไหวคนมันมากและอีกอย่างหนึ่งวัดก็แคบอีกต่างต่างหากชนะก็ฉันจังหารที่วัดโพธิสมพรพอฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็อไปเพราะเขาจะยึดเคลื่อนย้ายจรีละสังขารหลวงปู่ประมาณทักบ่าย2โมง แต่หลวงพ่อคิดว่าบ่ายบ่ายโมงจะเข้ามาหลวงพ่อก็เลยไปพักที่วัดรวมธรรมวัดของรัฐท่านรัตนาอำเภอเพนเพราะห่างไกลจากตัวอุดรประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลเกือบสามสิบมั้งถ้มาวัดเราก็ไม่ไหวกว่าจะออกไปหลวงพ่อก็เลยไปพักอยู่ที่วัดท่านรัตนากรพอตอนบ่ายโมงฝนเทลงมาอีก ทั้งฟ้าทั้งฝนฟ้าเขาร้องสนั่นวันไวหลวงพ่อก็เลยไม่ออกมาพอออกไปก็เดี๋ยวจะไปตากฝนไมาอีกเดี๋เป็นวัดเป็นไออีกอายุของหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มก็เลยไม่ไม่ได้ออกไปวันที่14วันที่สิห้าเช้าบินทบาทฉันที่วัดรวมธรรมแล้วก็ประมาณสัก บ่ายสองโมงเขาจะมีการสวดทักขินานุประทานงานศพแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ออกไปอีกเพราะว่ามีนัดช่อง11เอ็เขามาจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์หลวงตามหาบัวแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อคิดว่าที่แรกคิดว่าเขาจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับงาน หลวงปู่กับองค์หลวงตาเป็นสหายธรรมกันอย่างไรเนะี่ยผมคิดว่าหลวงพ่อก็ตั้งประเด็นนั้นไว้ๆนะก็เลยคิดคิดหาข้อมูลจุดนั้นไว้แต่พอมาจริงๆไม่ใช่เนะี่ยเขามาต้องการข้อมูลขององค์หลวงตาเขาบอกว่าต้องการประวัติพระเถระอ่าที่ที่ราบสูงก็คือแถบหนองคายอุดร เลยแถบนี่แหละที่าบสูงของประเทศท่านมีประวัติอย่างไรเขาก็ให้มาถามหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อออม <c oughs> ก็เลยเบนประเด็นไปอีกก็ให้สัมษณสเขาประมาณนี่นหละวันที่สิบห้าตอนบ่ายสองโมงกว่าๆแล้วก็วันที่สิบหกเมื่อวาน บิณฑ บ, บาตชั้นเช้าที่วัดรวมธรรมพอเสร็จแล้วก็ออกมาเพื่อลดกลัวรถจะติดเพราะมันเป็นงานใหญ่ออกมาตั้งแต่สิบนาฬิกาพมาถึงวัดโพธิสมครก็เกือบเที่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าคนมันเยอะรถติดพอเข้าไปนั่งแล้วก็ฟ้าฝนก็หยุดไม่มีแต่พอจะเริ่มงาน ฝนกน็เริ่มปล่อยๆโอ้ฝนเทลงมาเมื่อวานแต่ตามไม่จริงตั้งแต่หลวงพ่อไปนั่นอะไปอำเภอเ พ, อเพนฝนเมืองอุดรตกผิดปกติพอเสร็จเมื่อวานเมื่อวานก็มีทั้งฝ่ายบ้านเมืองก็คือพระองค์พาพระองค์พาเป็นองค์ประธานพระองค์พระองค์พา กับสมัยหลวงปู่ท่านมาประทับที่อุดรแะท่านก็รู้จักมักคุ้นกับองค์หลวงปู่หลวงปู่ก็ถือว่าเป็นลันหลานของท่านพอมาวัดโพธิสมพรบ่อยในเมื่อหลวงปู่หลวงรับดับขันไปก็ทูลองค์ท่านมาเป็นขอเป็นประธานงานจบของหลวงปู่ท่านก็ได้เสด็จมาเมื่อวานรู้สึกว่าโอ้ การตอนรับเป็นไปด้วยความอุ่นหนาฟ้าขังจต่ฝ่ายบ้านฝ่ายพระสงฆ์ก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่สเสด็จแล้วก็มีสมเด็จพะวนรัตเจ้าอาวาสวัดปวรณิเวศแล้วก็พระเจ้าคณะภาคทั้งแปดทั้งแปดทั้ง9้าทั้งสิบมาพร้อมกันแล้วก็กลุ่ม มากกรรมการมหาเถระสมาคมมามากสรุปแล้วก็คือพระเถระผู้ใหญ่มาจากส่วนกลางมากเมื่อวานเพราะหลวงปู่เป็นรองสมเด็จแล้วก็เป็นฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ก็ท่านก็ให้มาให้ความสําคัญมากแต่ฝ่ายกรรมฐานก็มาก่เหมือนกัน เพราะเป็นสิทธิยาวนิสิตขององค์หลวงตาพอองค์หลวงตากับหลวงปู่ใหญ่เนี่ยก็ถ้าจะว่างไปแล้วก็เป็นสหายธรรมหรือเป็นสหธรรมิกห่างกันสามปีหรือสี่ปีหลวงพอจำไม่แม่นคึงสองปีห่างจากหลวงตานะการบวชนะเพราะนั้นก็เป็นว่าสูสีกันนะอาอยุพรรษาใกล้กัน ถ้าสมัยเป็นหนุ่มก็ขึ้นเรียกว่าคู่บาคู่บานะนะ่แหละอาแต่นี้พอใหญ่ขึ้นมาแล้วกันดางอน้น่างเรียกหลวงปู่อตวงปู่วัดโพนเข้าไปหาหลวงตาบ่อยบางทีหลวงตาก็ออกมามาเยี่ยมหลวงปู่บ่อยไปมาหาสู่กันบ่อยอยู่สองสองท่านเพรานั้นพวกเราในฐานะลูกลูกห ล, ลานขององค์หลวงตา ก็ให้ความสําคัญในเมื่อเคารพในองค์หลวงตาก็ๆๆต้องเคารพในหลวงปู่ด้วยเหมือนกับเราอพ่อของเรามีมีเพื่อนนะทางภาษาอีสานเขาว่าพ่อเสียวนะเขาบอกเป็นเสียวกันกับพ่อนะในเมื่อพ่อของเราให้ความสําคัญกับเพื่อนของท่านลูกหลานของเราก็ให้ความสําคัญ ในเพื่อนของพ่อลักษณะอย่างนั้นล่ะอพวกเราก็เข้าไปหลวงพ่อให้ความสําคัญหลวงปู่มากมากนะพระสมัยก่อนเมื่อหลวงปู่เข้าไปวัดป่าบ้านตาหลวงพ่อเนี่ยเป็นพูอตอนรับขับสู้องค์หลวงปู่อมาเห็นหลวงปู่มาแล้วกันนะไปรับยามไปรับอะไรหลวงปู่มีอะไรทันตรงการอะไรเราก็เข้ไปกราบ เ, เรียนองค์หลวงตาละ่ะ ขอโอกาสพ่อแม่กูจารหลวงปู่ท่านมาเยี่ยมพ่อแม่กูจาร์จะรับที่ไหนครับผมเอารับซาลาเอารับมากุติเราก็ได้ทีนี้ก็ส่งท่านส่งท่านท่านก็ขึ้นไปคุยกันละทีสนทนาปารบกันอันนี้แหละคือเมื่อวานนี่ก็นี่แหละแต่วันที่สิบสิบห้าน่ตอนเย็น ประมาณสวดอภิธรรมเสร็จแล้วประมาณทุ่มครึ่งนะเขาก็ได้มนุ์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมโอ้คนมากจริงๆแต่เขาก็บอกมากระซิบกระซาวว่าจะมีการแสดงธรรมสามองค์ครับอ่าหลวงพ่อถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้หลวงพ่อทําเวลาสักหน่อยก็ดีเราอืมเราก็ควรไม่ควรจะกินเวลาของผู้อื่น <c oughs> ในเมื่อหลวงพ่อเทศเดึกขึ้นไป ก็ทำให้พี่น้องประชาชนแตกฮือหนีไปหมดหลวงพ่อก็เลยพยายามทำเวลาให้สั้นประมาณถ้ายี่สิบกวนาทีมหลวงพ่อกะว่านะจากท่านหลวงพ่อก็เลยได้เทศนาแต่ไม่ได้เต็มที่หรอกคล้ายๆว่าอ้างเหตุผลแบบรวบรัฐรวบรัฐรวบรัฐอันไหนที่ควรจะรับรู้รับทราบแต่ให้เข้าใจ ให้เข้าใจในเรื่องนั้นนั้นแต่ไม่ให้ย่นเยอะแต่ให้เข้าใจหลวงพ่อเทพเมื่อวันที่สิบห้าเย็นจาจา้ย์ก็ไปพักที่วัดรวมธรรมอย่างเก่าป ก, ป, กปกนูเช้าก่อนน่ยได้มาอย่างที่ว่าแต่เมื่อวานโอ้ฝนตกกว่าจะเสร็จสาธารณพิธีได้หลวงพ่อก็ออกมาจากนู่นประมาณจะเกือบ ห้าโมงมแต่ตามปกติเขาจะไม่ให้นั่นแหะหลวงพ่อก็ถามถามพวกเราปรพพวกเนะาะแต่หลวงพ่อจะออกก่อนได้ไหมเพราะมันก็หลายสายนะมันมีหลายสายแต่สายองค์พระองค์อองพาจะเสด็จนะเขาคงจะไม่ให้ออกนะแต่เราออกไปทางทางอื่นทางด้านหลังเพราะมีหลายสายเราก็ขอออกเขาก็อนุญาตให้ออกมาพ่อกขาออกมา มาถึงวัดโอ้มืดคํานะลูกหลานนะวนนันนีถ้าหากว่าตาหลวงพ่ออยู่องเดียวนะหลวงพ่อคงไม่มาฉันอย่างหันวันนี้คงจะพักผ่อนต่ออีก <c oughs> โอ้รู้สึกมันเพลีย <c oughs> <ๆ S 1> เหมือนกันนะเหนื่อยแตอนนี้หลวงพ่ออยู่กับลูกกับหลานหลายหลายคนหนะลงมาพกหลูกหลาน แต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่ายุคนั้นสมัยนั้นหลวงพ่อจะมีชีวิตอยู่หลงตาเป็นยังไงฝ่ายปกครองบ้านเมืองปล่อยคณะสงฆ์เป็นยังไงฮะที่ท่านลูกหลานได้ฟังต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานก็จะได้รู้แนวทางว่า ยุคนั้นสมัยนั้นก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานยุคไหนสมัยไหนก็เถอะต้องยุคปัจจุบันสำคัญพวกลูกหลานอยู่ในยุคปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นโอกาสทองเป็นเวลาทองมันอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนท่านเองดีหรือชั่วมันเป็นบทเรียนอดีต อนาคตหวันพวกนี้บรืณนี้มันก็ยังไม่ถึงมันจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้อนาคตจะไปหวังอนาคตอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนดีหรือชั่วเราควรจะเรียนยังไงที่ผ่านมาอันนั้นเรียกว่าอดีตแต่มีคุณค่าจริงๆคือปัจจุบันปัจจุบันน่ะจิตปัจจุบันนธรรม จุดนี้เป็นจุดที่พวกเราควรจะใส่ใจของตนเองอยู่เสมอก่อนที่มันจะดีในอนาคตมันก็ต้องผ่านในปัจจุบันไปก่อนถ้าเราปลับปรับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราด่าขาม้งชงเสงเตะซ้ายเตะขวาอามิตรไล่แทงฟันหัวคนอื่นเข้าปัจจุบันทําตนไม่ดีอนาคตวันพวกนี้มันก็จะดีได้อย่างไรเพราะว่าต้องจับเข้าคุกเข้าตาราง ผลในส่วนจะเป็นคนชั่วไปตลอดชีวิตเลยไงไรเพราะปัจจุบันในขณะนี้เราทําตนไม่ดีเพราะนั้นปัจจุบันขณะนี้เราควรจะโอปัญญิโกตลอดเวลาดูตนเองอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าควรจะทำยังไงควรจะคิดยังไงควรจะทำอย่างไรควรจะพูดอย่างไรปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบัน ถ้าคนอยู่ในปัจจุบันดีแล้วไม่ต้องพูดถึงอนาคตอานาคตต้องดีแต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีและอนาคตของเรานะไม่มีไม่มีทางที่จะดีได้เพราะตัวเองทำสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีในปัจจุบันผนั้นขอให้พวกเรามองดูตนเองในปัจจุบันไว้ให้มากนะมองดูตัวเอง ดูคุณงามความดีของเราในปัจจุบันเราคิดดูสิว่าที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะั่การเรียนของเรานะเป็นที่เพียงพอหรือยงังการศึกษาทางโลกทางโลกเราเพียงพอหรือยงังคุณงามความดีบุญกุศลที่อดีตที่ผ่านมาเป็นเวลาถึงห้าหกสิปีเนะี่ยเราเป็นที่อุ่นใจหรือยงังในเมื่อเราตายปุับปรับในปัจจุบันเนี่ย เราอุ่นใจและอยังว่าเราไปอยู่นสถานที่ไหนดวงวิญญาณของเราเราจะไปไหนและจะไปเกิดที่ไหนบุญกุศลเราเพียงพอหรือยังอันนี้เนี่ยท่านเราต้องคิดดูย้อนดูอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครที่จะรู้ดียิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านเนี่ยตัวของเราแต่ละท่านนี่แหละมองดูในอดีต สมุติว่าเรารักษาศีลประกอบคุณงามความดีดูแลพ่อแม่แล้วก็อยู่ในสัมมาชีพจากนั้นก็เรื่องสมาธิเราทำจิตใจให้สงบกี่ครั้งเราเดินทางปัญญาวิปัสสนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในอดีตที่ผ่านมา เป็นยังไงอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อเรานึกดูย้อนดูแล้วเออเรายังขาดตกบกพร่องอยู่ในอดีตที่ผ่านนมาปัจจุบันเราควรจะตั้งต้นใหม่ให้เข้มงวดกวดขันขึ้นเพราะชีวิตของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้า พระหันทศาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอชีวิตนี้น้อยนัก เ, เกิดมาแล้วก็อันนี้จังของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาคู่กันเพียงแต่บอกกล่าวให้ได้รับรู้รับทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ พระพยยุทธเจ้าท่านเตือนท่านบอกว่าความตายนี่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่ส่วนอื่นเป็นอนิจจงโลกนี้เป็นโลกล้วนอนิจจ์แต่ว่านิจนิจจนิจจ์จคือของเที่ยงแท้แน่นอนคือความตายเกิดมาเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะหลีกลีนี้ผลไปได้เรื่องความตาย เกิดร้อยตายร้อยเกิดพันตายพันเกิดหมื่นตายหมื่นเกิดเคยแสนเกิดเท่าไรตายเท่านั้นสรุปแล้วนี่แหละในเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราเนิร์คดูเราก็กลัวบางคนไม่อยากจะนึกถึงความตายตัวเองกลัวเพราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรลำเนิรถึงไว้อยู่เสมอเพื่อให้คุ้นเคยคุ้นเชื่อ พอเราจะได้รู้จักวิธีการแก้ไขปรปับปรุงว่าควรจะแก้ไขอย่างไรเมื่อความตายจุดนั้นมาถึงถ้าว่าเราไม่ได้เลิกถึงความตายเหมือนกับเราได้ยินว่างูงูงูอสรพิษพอเราเห็นงูจริงจริงโอ้โหขนลุกจะหัวไวหัวใจวายตายพอเห็นงูกลัวงูแต่ถ้าว่าผู้ไดศึกษาเรื่องของงู แอบพอเห็นงูเข้าจริงๆมันตัวใหญ่แล้วมันตัวเล็ดมันจะอยู่ในจังหวะไหนมันจะมาฉกเราได้หรือว่ามันมาใกล้เราก็หาไม้เขี่ยออกไปให้ห่างๆเพราะ อ, อะไรเพราะเรารู้เรื่องกฎหรือว่าความอากับกิริยาของงูนั้นนี้ก็เหมือนกันเรื่องความตายเรานึกคิดไว้อยู่เสมอ ข่าวนี้ก็ได้ยินหลวงปู่อายุร้อยสี่ปีที่แนมรณภาพพึงพระธานเพิ่เมื่อวานแต่เราเนี่ยอายุขนาดนี้ไม่ใช่ว่าอายุถึงร้อยสี่ปีเหมือนหลวงปู่ เ, เสียก่อนจึงจะจากไปไม่ใช่คนน้อยคนหนุ่มก่อนหน้านี้เราเคยเห็นไหมเด็กตายคนหนุ่มตายน้อยกว่าเราตายแก่กว่าเราตายปานเราตายเห็นไหม เราก็เคยเห็นเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราสรุปแล้วก็คือไม่ไมิไม่ได้มีมม เ, เวลาไม่ไม่มีจํากัดกฎเกณฑ์ว่าจะถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะพวกเราควรจะน้อมนึก จากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลการสังสมบุญกุศลไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะหลวงพ่อพูดเป็นรูกี่ครั้งไหว้พระอยู่ในบ้านก็ได้ไหว้พระสวดมนต์และก็มาทานศีลห้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าและจากนั้นตอนเย็นมัก็นั่งภาวนาทุกวันกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทนะขณะที่นั่งภาวนาปิดวิทยุโทรทัศน์ เสียงทั้งหลายทั้งปวงปิดหมดอยู่ในความสงบจากนั้นเข้าเป็นนั่งสงบนิ่งดูจิตใจของตนเองอวันละยี่สิบสามสิบนาทีได้ไหมวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราให้ตัวเองจิตใจของเราพักผ่อนจิตใจพักผ่อนเพียงหนึ่งชั่วโมงได้ไหมหรือสามสิบนาทีได้ไหม หรือสิบนาทีได้ไหมส่วนร่างกายของเราเนี่ยทำงานอยู่ทั้งวีทั้งวันถึงจะนอนอยู่ก็ยังหายใจเข้ายังหายใจออกแต่ส่วนจิตใจของเรานะ่ะปงฟงอยู่ตลอดขนาดนอนหลับเราก็ยังฝันไปอีกอละเมอเพิ่ฝันอีกเอาเถอะให้ใจพักผ่อนให้ใจเน่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธ โทพุทธโถใจพักผ่อนนะต่อไปใจของเราได้พักผ่อนใจของเราจะมีกำลังนะถ้าใจนิ่งนะใจใจใจมีกำลังนะทายาท จ, จงถ้าไม่เหมือนร่างกายร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหวร่างกายหมดสภาพมันต้องออกกำลังกายเมื่อออกกำลังกายกายจะได้กำลังแต่จิตใจของเราจะปุ่งฟุ้งซ่านหมดหม ด, หมดกำลังใจ จิตใจหมดกําลังจะต้องจิตใจให้พักผ่อนให้เน่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจพอจิตใจเน่งสงบเท่านั้นแหะจิตใจมีพลังจิตใจมีกําลังคือทําจิตใจให้สงบเพราะนั้นเรื่องร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอย่างกันนะอาหารกายอาหารใจถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้นะข้นะนะาราชกาญาติโยม เอาตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จานุโมโธธนาให้พรับพรนาทีนะ